1. ลัทสุนวัตสิกขาบทที่สามว่าด้วยการสัมผัสองค์กำเนิดเรื่องภิกษุณีสองรูป802สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีสองรูปถูกความไม่ยินดีบีบคั้นจึงเข้าไปสู่ห้องชั้นใน แล้วใช้ฝ่ามือตบองค์กำเนิดกันพิกษณีทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปตามเสียงนั้นแล้วได้กล่าวกับพิกษณีทั้งสองรูปนั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าทาไมพวกท่านจึงทําไม่ดีไม่ร้ายกับชายเล่าพิกษณีทั้งสองตอบว่าพวกดิฉันไม่ได้ทาไม่ดีไม่ร้ายกับชายและเล่าเรื่องนั้นให้พิชฌณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษณีผู้มากน้อยพากันตําหนิประนาม